ฝังมกันนะเพ <c oughs> ให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติ <c oughs> ซึ่งเราก็ลังทำอยู่มันก็ของเคียอ <c oughs> ของเคียก็เป็นส่วนสำคัญจนเขาเล่นกินลาแข่งกิลา ต้องมีกลองเคียร์ไปเคียร์จะมีกลองเคียร์เคียอยู่เบื้องหลังนักกีฬาก็เชื่อมแข็งต่อสู้ถ้าครูฝึกทหารหนานต้องอาศัยคำพูดที่เขืมแข็งทหารก็เชืมแข็ง ไปไป น, นอนหยุดภูเขาหิบาไหลประเทศเนปลาจะหารทหานเนปลานเอาเส้นแสงวิ่งขึ้นภูเขาหิบาไหลวิ่งขึ้นวิ่งลงภูเขาจต้องล่องอยูเอ่เสอเป็าษาน ป, า, นปลาลบมบึมเป็นคนใดก็ รื้อตุง้งเชื่อมเข้นนตุง้งทุนดยไม่ใช่เยือนตัวมันอ่อนออเลยกอนเขียไปเชื่อมแข้ง น, นักกิลากำไปเชื่อมแก้งหารหารก็อ่อนแรงการไม่ยินในฟังในกาเกงมัน เ, เป็นกองเขีย่เชื่งกันแล้วกันทำให้เกิดความเชื่อมแขงขึ้นมา แขงบ่าชียงไหลของท่านหมายสัพพนานี้เราก็มกกีของเคียวสัพะนาแห่งการตัดชลูของเคียวของเราคือพระพุทธเจ้าที่ทำให้เราไปท่อถอยเราอยากพู้ผู้ใดแล้วก็ทำตามคนพูดนั้น บาล น, นี่คงจะเดินเสดชักเสด โ, โลงมาจากลงคาริลก็จะถึงแถวพุทธคยาโดยไปตามล่องรอยของพระเจ้ารงทุกข์กิยาอยู่ที่ดงคชสิลีถ้ำดงคาสิ ร, ร, สริไม่ใหญ่นักต้องปีนเขาขึ้นไป <c oughs> คนไม่มีกำลังก็ขึ้นไม่ถึงก็ไม่สูงเกินไปก็ไม่ต่ำเกินไปจากที่ประชิท ธ, ธาอดอาหารทลมานคงเหลือแต่หนังหู ก, ก่าดูกปัญญาชีต้องโฉบลงมาโสมขึ้นโสมลงเวลามาโสงน้ำาค้งขา <c oughs> องค์จะล้ำบากมากถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกเราทุกวันนี้นิดต้อยนิดโดยเหลือเกินแล้วก็เดินเห็ินว่าการทุกทำทุกกิจลิยานี่จนหมดไม่มีใครเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ในโลกนี้จึงเปลี่ยนทิศทาง หาแหล่งอาหารตามร่มน้ำในหลันเชลาลงมาถึงบ้านนางสุจริตาบางทีก็ข้ามน้ำบางทีก็ลอดฝั่งมาอา จ, จะล้บาบ่มีปัญจว่าคีช่วยเหลือ มาได้เลี้ยงอาหารทงนาโอนข้าวโอนน้ำนาสุชันดามาบวงสรวงเทพเจ้าเป็นปชิตาตะนั่งอยู่ต้นนิโคดนะเนี่นนึกว่าเทพเจ้า <c oughs> เลยเอาเข้าวมาตุประยัดมาถวายได้ เพื่อว่งสวงบูชาก็ได้ฉันที่นั่นผมไเรี่ยววิเวียงเปลี่ยนทิศทางใหม่จะเล่นงานทางจิตใจกายก็ออกถึงที่แล้วไม่แต่จะตายไปเฉยๆมันสำคัญอยู่ที่จิตใจได้กเสษีบ้าง ได้ความผิดความถูกจากจิตใจว่าได้บทเรียนจากจิตใจบ้างเห็นโทษเห็นภัยจากจิตใจบ้างที่เป็นภาระจขียนมาผึ ก, กจิตมองลูการฝุ ก, กจิตต้องมีพลังมีร่างกายเข้มแข็งตัวมีเลี่ยวมีแรงฉันเข้านังสุจดองประมาณนี้แหะ วันนี้กับวันที่ยีย่บสองวันที่ยีย่บสี่เป็ น, นวันตัดชะลูพอฉันก็มีเลี่ยมมีแรงแล้วก็เดินข้ามน้ำในรันชลามาทางด้านทิศตะวันตกมาได้โดนเดินสูงสวยงามเป็นดง ว่าพุทธคยาทุกวันนี้ม่ายร่มงเงินต้นม่ยใหญ่ๆไดอาศัยต้นโพทิเป็นบันลังปฏิบัติธรรมรยี่ว่าโพธิบันลังอันหน้าไปทางแา ม, งาางาม่น้าคงคาทางด้านทิศแม่น้ำเรมชลาทางด้านทิศตะวันออกดูวิวสวยงามดี เม้เราเป็นนัางอยู่ปูหลงหาวันที่กะติของเราใน่ชีอูช่างให้มองไปทางลานเทียนดอกเห็นแม่น้ำลำบาะเทาเหือภูเขาโตโกสวยงามดีก็ได้วิวได้ภาพพดที่ดีทาไมมองเห็นพ้าทิตขึ้น อย่างสวยงามฉันท้องฟ่าฉันลวงดาวบักบล็อกที่นั่นแม่ว่าเลือดเตื้ง อ, องเอ็นจะดูกจกผูฟังก็ตามจะไม่ลู้อะไรจะไม่ลุกหนีไปจากที่นี่ตายเป็นตาย สมัครจิตอาสาที่จะทําเรื่องนี้ทุ่มเทจงสุดเอาคิด เ, เดิมพันแบบนั้นนะสุขคนที่เป็นสามัญชนธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นกษัตริย์สามัญชนเป็นสมุดติเทพไม่ว่าเทพโดยสมมุติเป็นกษัตริย์เทพมีสองเทพ สมุติเทพโอปปติเทพบริรสุทธิเทพปัจจิตาตถ์เป็นสมมุติเทพเป็นเจ้าฝ่าชายก็สุขุพมลชาตข่าพวกเราในพระราชาวังภ า, าษาสามฤดูมาทุก อโทรโอนจะเกิดการเจ็บเทียบหล่อย่างก็พาออกมามุ่งสู่โพธิยานหาคมตอบเรื่องการเกิดจะเจ็บตายให้ได้หายเป็นตายเพราะว่าก็าไม่รู้เรื่องนี้ จะมาได้ช่วยคนไม่ใช่ช่วยโลกพอชีวิตศึกษาเรื่องนี้จึงไม่ความแนีแน้ยน่ตั้งใจวันที่สุกได้ตัดสู่วันเป็นเดินหกอีกสองวันนี้วันตรงกับวันเพ็นเดินหกพอดีมาถึงรอบนี้ก็ สองฝันหกรอยหนึ่งปีมาแล้วมีจริงจริงชามัณชนคนหนึ่งมีจริงจรงิได้กบัติขึ้นเป็นพระเจ้าจริงจรงมีธรรมที่ทําให้เป็นพระเจ้ามีอยู่จริงปฏิบัติตามก็ได้ผลอริงจริงเป็นพระเยสุ์เป็นพระหานมีได้จริงจริง เดีย๋ยวจะมาพิสู่กันดูเลวงหมอก็มีลอยมีจอยอันเดียวกันเหมือนกับปะธิรธาสมัยสองวันหกอยกว่าปีมาแล้วเหมือนกันไม่ต่างกันเลยไม่ะไรก็ไม่เหมือนกันหมดจนชีวิตเดียวกันหมดมา เมื่อเราอยากรู้เชนนี้ก็ทำตามเรียนแบบก็เราก็อยู่ในค่ายปักเต้นปักกดอยู่ตามร่มไยตามแผ่นดินอนทีก็มีเต้นมีกดดีหน่อยแ <c oughs> <c oughs> ห้เราดลึกชึ้งดื่มดำมันนิดหน่อยถ้าจะเปรียบเทียมกับพระนธรราสมัยยังไม่เป็นพุทธเจ้า ล้มบอ ก, กวพวกเราดีมีเพื่อนมีมิตรยังบาเยังไหลมีผู้สนับสนุนเยอะแยะไม่ต้องคิดเรื่องอยู่เรื่องกินถึงเวลาก็จะตีแล้วทางให้ไปทานไปกินได้ ให้คือว่าความสะดวกเพื่อมีอันเดียวขอสำับจะลุนเราเป็นของเคียชาวบ้าเนเะคนของเคียประชาชนชาวพุทธบริจัทเป็นของเคียมีคนโทรมา ถ, ถามเกือบทุกวันคนที่ยังไม่มาก็คิดจักจะมาอยู่ขอให้เรายืนหยัดเรื่องนี้แน่นอน เข้มแขงตามพระพุทธเจ้าตามพระศิรธรรมจะหมายยังไม่เป็นพระทเจ้าพก็ะต า, ามความต่มเป็นพระเจ้าเลยม้วก็มากเอาเล่น้อยฝีกกายไม่ใจฝึกกายฝึกใจของตนก่อนอย่าเพิ่งไปคิดช่วยคนนั้นคนนี้ งั้นเราจะช่วยคนต้องสอนตัวเองต้องไหยต้องไายน้ําถ้าคนเอาขนจมน้ําต้องว่น้ําให้เป็นถ้าจะช่วยคนที่มีทุกข์เราต้องเคยทุกข์แล้วก็หอดทุกข์ได้จริงถ้าจะช่วยคนที่หลงเราก็เคยมีความหลงเราก็จะคมหลงได้จริงแล้วทำนย่างไรเราก็ทําตามที่เราฝึกมาเหมือนกันกับสมัยพระเจ้า เป็นอันเดียวกันมีสติก็เป็นอันเดียวกันสติป็ยในกายก็เป็นอันเดียวกันไม่ต่างกันเลยสติเห็นสุเห็นทุกก็เหมือนกันหมดสติเห็นความคิดก็เหมือนกันหมดสติเห็นทางมที่อวกาาต่างเกิดขึ้นไกับใจก็เหมือนกันหมดไม่ต่างกันอันเดียวกันแท้ๆแต่ว่า เราจะชัดเจนฑยียบคภายแจ่มแจ้งแค่ไหนเพียงไรก็ทั้งทำมาแจ้งเอาเองถึงที่มันเกิดขึ้นมามาบอกกันเราได้รู้มาสอนเราให้เราได้ฝึกหัดเดีย๋ยวมาเป็นตัวเป็นตนมันเป็นสุข ก, ก็เป็นสุขตามบันมันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ตามบันมันเป็นตัวเป็นตนก่อนฝึกหัดไม่ให้ทําอย่าง น, านั้นให้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆก็ปลอย ความรู้เนี่ยให้มันเข้มแข็งที่เริ่มก่อนเออต่อเดี๋ยวจะดึงไปก่อนฉุกดึงไปทุกถ์ดึงายความคิดดึงไปอากาศดึงไปต้องฝึกให้เข้มแข็งจะได้ความเข้มแข็งและความอ่อนเออความอ่อนแล้วที่เกิดทางจากทั้งใจเนี่ยอ่อนแอทางจิตวิญญาณมันไม่เหงื่อไม่ออกมันใช่ว่าจะ เดค่เด็ป่วยเคลื่อนไหวไม่ได้พารวิการอ่อนแอมัไม่ใช่อย่างนั้นวิการเหนือไหนก็ทําได้เรื่องจิตวิญญาณนี่ว่าจะหาใจเข้ารู้จักตัวรู้จักร่อนรู้จักหนาวรู้จักสุขรักทุกข์ใช้ได้ทั้งนั้นมาฝึกเสร็จของจริงที่มันแสดงออกมาเวลาเรานั่งอยู่อาจจะเกิดไหลขึ้นมามันจะบอก อาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับกายกับจิดกับใจเราได้ฝึกตรงนี้ฝึกใส่ตรงนี้ทึกใส่งานใส่การไม่ได้หนีงานหนีการจิตจะเป็นงานเป็นการอยากทำอะไรเป็นต้องฝึกเรื่อง น, นั้นผิดเป็นครูแต่จะทำผิดซ้ำ งูเทียมเกียนเทีย ม, มวัวเทียมขามเทียมไทยนั่ก็ไทยใช่แต่ใสโคมันจริงๆให้มันดันไปนวัวเทียมเกียนก็ต้องเอาเวียนเทียมคอให้มันดันไปเปกม้ยาใส่ล้อก็ต้องเอาม้าใส่ล้อใส่ล้อให้มันดันไปพระยศกันนานไหนก็เึกได้ มันมีวิชาอยู่วิชาฝึกวัวฝึกแกนฝึกวัวเทียมแกนฝึกวัวเทียมไถก็มีวิชาฝึกอยู่ฝึกมากก็มีวิชาฝึกอยู่ฝึกช้างฝึกห่านหานก็มีวิชาฝึกอยู่ฝึกกายฝึกใจก็มีวิชาฝึกอยู่นี่เแล้ววิชาเนี่ยรา้ กูฉันเข้าเดียวฉันออกรู้จักตัววันเกิดอไรเกิดแค่มากับกความใจกลํางานรู้จักตัวเพื่อปฏิบัติธรรมการรู้จักกลับมารู้จักตัวนี่แหละคือตัวปฏิบัติมัใช่วันเวลาวันเวลาจะไปะนับมันมันหลงที่หนึ่งลู่ที่หนึ่งนี้คือการฝึก เวลาไม่ใช่วเวลานับหลงนับรู้มันจะได้ความรู้เพราะความหลงจะได้ความรู้เพราะความทุกข์จะได้ความรู้เพราะความโกรธให้ฝึกตรงนี้เจ็บเอาตรงนี้จะเกิดผลตรงนี้ถ้าไม่มีทุกข์พระเจ้าก็ไม่ได้ตรัดสรู้อย่าปฏิเสธ ดูดีๆถ้าเป็นการฝึกจริงๆเวลามันทุกข์จะยิ้มหน่อยหนึ่งเห็นทุกข์ทมันเห็นของดีจะได้หลุดพ้นจากมันซะแล้วถ้ามีการปฏิบัติเขาหลุดพ้นได้กลับมาลู้จักตัวตามอริวตทสามัชคีญาบปัพระคู่ขนเข้าเจดฉันออกนี่ช่วยได้ ใครก็คู่แข่งเขาเหยียดแข่งดอกได้แล้วคนพิการก็คู่ไม่ได้เหยียดไปแต่กลับมาได้เหมือนกันกลับมารู้จักตัวผมรู้จักตัวคนพิการอาจจะไม่อยู่ที่สมปิจยะบัพพะเคลื่อนไหวอ่อนการเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นสติได้เป็นสำชะบัพพะได้ลมหายใจก็เป็นบัพพะได้ ความคิดก็เป็นบัพพาได้มันเคลื่อนไหวเหมือนกันทำให้เราลู้ได้เหมือนกันคนพิการอาจจะเห็นความคิดหยาบคายมากกว่าการยกมือสร้างจาังหวะรุนแรงลู่อยู่ดีๆมันคิดไปโนโ้นเลมันรุนแรงมากไม่เหมือนกายถ้าจะดูดีๆแล้ว กายเป็นจำเลยที่สองความคิดต่างหากเป็นจำเลยที่หนึ่งสังงานสังการเพราะนั้นเราจึงได้งานเรื่องจิตวิญญาณนู่นให้มันรู้ทันมันมันจ ะ, จะแสดงออกมามากกว่าเรื่องกายด้วยช่องไปเวลาเรานั่งอยู่ว่าจะคิดปล่ไปคนมีลูกก็คิดถึงคนมีลูกคนมีเมียคิดถึงคนมีเมีย มีผัวคิดถึงคนมีผัวคนจนคิดแบบคนจนคนรวยคิดแบบคนรวยคนมีฉุกคิดแบบคนมีฉุกคนมีทุกคิดแบบคนมีทุกคนมีความล๊อกความชังก็คิดแบบคนที่มีความล๊อกความชังได้นั่นแหละงานของเราโดยประชดก่อนเยอะแยะของคนที่ไม่มีอะไรแต่ถ้าคนที่มันมีอะไรก็ <han> อาจจะอ่อนแ้ไปเลย พอไม่มีออมลมลมมแล้วเกิดขึ้นก็อาจจะอ่อนเอือชู้หมาหวังล่องงมล่องหอยเฉือยใจหมดเดี่ยวหมดืองก็เลยจนความรับข่มขว่ อ, อนเออหว่าความรับไปกับความรับอ่อนเออเมื่อถูกความลับตั้งเห็นก็อ่อนเออฆ่าตัวตายหมดอะไรตายอยากผมไม่เคยฝึกก็ได้หลังใจหมดทุกอย่าง บางคนก็อาศัยอันนี้เต็มที่ไปไปสอนธรมที่ประเทศสิงคโปร์คนผู้หญิงกลางคนคนหนึ่ง น, นี่นไม่เห็นที่มีทุกข์ที่ไหนเลยจะให้ปฏิบัติยังไงไม่เคยมีทุกข์ การงานก็ดีเงินก็ดีบ้านอยู่ก็ดีอาหารการชิ้นก็ดีญาติก็ดีไม่เห็นมีทุกข์ที่ไหนจะให้ทำย่างไงอ๋อนั่นมันมันหมดตัวไปกับจิงเ่านั่นแล้วเอาการงานเป็นที่พึ่งเอาเงินทองเป็นที่พึ่งเอ บ้านเป็นที่พึ่งเอายอดเป็นที่พึ่งเราคิดไปห้อยไปแขวนกับจริงหรือนั่นมันเที่ยงไหมเวลาจะเก็บเวลาจะตายทําเป็นไม้เวลามันทุกทําเป็นไม้มันต้องมีแน่นอนเคยเจ็บ เ, เจ็บตายเกบรรทุกเก็บบรรทุกตายป็นทุก แต่เมื่อคราวนั้นเลยทำอ่อนอไปเลยเพราะไม่เคยมีเหมือนกอนถ้าจากของเ่าของชอบใจจะเป็นยังไง้อก่าอ่อนอไปเลยนี่พวกเรามนสะเทือนบอกะเทือนหน้ามาแล้วเคยรักเคยกลัวเคยเพ่งเคยชู้มาแล้วเอาเถอ แต่ก็ขึ้นจากวันหลวันหนึ่งแค่นี้แค่นี้เหมือ น, นคนที่เคยขึ้นเขาเหิชีปัต tha คยขึ้นเขาชีปัต t ประเทศจีลังกาได้เรื่องเงินเป็นเรื่องเด็กน้อยก่อนขึ้นสูงสูก่อนเอาชนะความทุกด้าดมันยิ่งยหญ่ หัดความเป็นยิ่งใหญ่หัดเป็นพระเอกหัดเป็นดาราเวลามัาหลงลู้นี่แหละเวลามันทุบลู้นี่เวลามันโกรธรู้ได้เลยมันจะมาให้ฝึกตรงนี้แน่นอนต้อเรบฝึกกรรมฐานปนช่องแคบเป็นทางผ่านของอะไรอะไรต่างๆมากมายวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ รวบรวมสิ่งต่างๆให้เราได้เรียนรู้ไม่ต้องไปนวลไปนี่แบบพิสูจน์ก็พิสูจน์ตรงนี้ต้าแพ้ก็แพ้ตรงนี้ถ้าชนะก็ชนะตรงนี้เลยชนะตัวเองถ้าแพ้ก็แพ้ตัวเองที่เกิดกับกายกับใจนี้เอาดีแล้วยังไงตัวขายตัวมานขอสั่งสนุน เวลาจึงไดท้ท่านหลงคนที่ไม่หลงเพราอย่างที่ท่านหลงมีอยู่จึงไดที่ทำให้ท่านเป็นทุกข์เพราะเรื่องงานทวนอื่นที่ไม่เป็นทุกข์อย่างที่ท่านทุกข์มียังมีอยู่จึงได้ที่ทำให้ท่านโกรธสิ่งที่ทำให้ท่านโกรธนั่นคนหนึ่งก็มาโกรธผู้เร่อนั่นยังมีอยู่เขี้นนั่นเอง จงสร้างความเฉื่อแข็งมองหน้ามองหลังเอาอย่างคุณธเจ้าผู้เจ้าคงจะประสบการเรื่องนี้ว่าอารหันต์ผู้ประสบการเรื่องนี้จึงเป็นพระอรหันต์คิดอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวมีบดทุกข์ทุกเวทแต่มีรูปมีนามมีกายมีใจ แล้วก็เหมือนกันกับคนอื่นคนอื่นก็เหมือนกันกับเราวิธีปฏิบัติก็ทำเหมือนกันหมดผิดก็ผิดที่เดียวกันถูกก็ถูกที่เดียวกันในฉช่เียนในสิ่งที่เหมือนผิดก็มีความถูกติดนั่นเหมือนกันในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็มีความถูกต้องในสิ่งที่เป็นทุกข์อยู่ที่นั่นเช่นความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกข์ถูกต้อง ความกไม่ถ er ูกต uh ้องควกรถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องควไม่หลงถูกต้องด้อยความถูกต้องจากความไม่ถูกต้องหรือว่าปฏิบัติทูองเปลี่ยนสิ่งที่ดีก็เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นความดีเปลี่ยนลอยเป็นดีลเนี่ยเนี่ยสิ่งที่มันถูกต้องอยู่ตรงนี้ต้องเห็นแน่นอน นหน้าก็ต้องเห็นความุ่งเหงาหอนเห็นความคิดพุ่งซ่านเห็นความเมตตาสงสายเห็นกรรมมราคาปฏิคะมาาทิติอุปทานเกิดขึ้นเอามาเป็นตัวเป็นตนรูให้ดีๆอย่าเผลอด่านแรกตอนนี้หวงหน้าเลย้ามไปคมไป ว่าของว่วงกเกิดขึ้นจะท่านนั่นแหละไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อความคิดพุ่งซ้อนเกิดขึ้นเลยและไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าผู้เจ้าโคคิดถึงพระจ่าสามฤดูคิดถึงสอฉนมกับหลันนายคิดถึงพิพาละหุนคิดถึงพระเจาหวังคิดพระเจ้าปู่พระเจ้าพ่อพระเจ้าิดา คถึงแม่ด้วยไอพี่สอนนุคดตายไอโสดิทศหาได้7จดวันไม่รู้เรื่องเลยต้องคิดเหมือนกันขนาดไหนทีมาคิดดูจี่ทิ้งลูกเกิดได้เจดวันทิ้งเมียกำลังขอลอง อย่งก่อนเดียอยวเพั่งไปเธอจะไดพ้พี่ให้ชิมปลาชิมแสงคนปลาชิมปาไม่ลำบากไม่สนมเดือแยะถ้าหัวก็ไม่ลำบากไม่ให้นางนม เ, อเยอะแยะถ้าลำบากก็ไม่ไปนี่นี่ไม่ลำบากแน่นอนไม่ต้องออกกับเพราอจะหวังไปไหน เราจะช่วยคนเราก็ลักถึงบาปเป็นบาก็นล็อกวิถีธรรมแต่เราลักกันสองคนตอนนี้ไม่พอต้องล็กคนทั้งโลกมันก็ยิ่งใหญ่อย่าเนี้ยเราไม่มีหรือไม่มีพี่ไม่นอ้องหรือไม่มีโลกหรือผู้ปฏิเทเพนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาช่วยโลกอุปฏิเทพเกิดขึ้ขขขสมมุติเทพนั่น บริสุทธิเทพเกิดขึ้นกับสูทธิเทพกับบัติเทพดัน้นมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเกิดคุถะขึ้นมาเกิดตัดทะลุขึ้นมาเกิดรู้แจ้งขึ้นา่าคิดจะช่วยโลกลนี่อุบัติเทพเกิดขึ้นจากหัวใจของคนเนี่ยแล้วก็เนิดบริสุทธิเทพทำเช่งได้ความบริสุทธิ์อย มันก็เป็นประโยชน์ต่อโลกโลกกับวิถีรูกแจ้งโลกช่วยโลกมันพระทธ่เจ้าของเราเนี่ยพระอรหรันมันยิ่งใหญ่ว่าห่วงอะไรจนผูกพันเชื่อผูกคอปอผูกศอกบอกใส่เท้าใส่ตีนแล้วว้ไปไม่เห็นไม่ได้มาฝึกหาดเฉเดียวชคิดห่วงโน่นห่วงนี้ ระวังดีความคิดมันจะหลอกขอพี่หลอกไปได้ถูกความคิดหลอกแ ย, ยบคายที่สุดคนอื่นหลอกก็ไม่น่ากลัวถี่หลอกก็ไม่น่ากลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองเนี่ยดูให้ดีๆใครก็จะมีเหมือนกันละ่ะให้ความสําคัญเหมืนอนกับตัวเองทุกสิงทุกอย่างนั่นแหะ แต่เวลานี้ไข้สิบแปดปันเช้านี้ไม่นานชีวิตเราต้องยาวไกลกว่านี้อีกยังมีเวลาเจ้งแจ้ถ้าเราตั้งต้นในที่นี้แล้วมันก็จะสวยงามไปเลยยิ่งตื่นแต่ดึกสิกเต่นหนุ่มแต่น้อยนี่ก็ยัมีประโยชน์ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ญาติก็ได้ประโยชน์จอลูกก็ได้ประโยชน์จอ าศะชนะก็ได้เยอะประโยชน์ต้งสื่อย่างก็มีค่าขึ้นมาหรือเ่าสมมุติเทพอุบัติเทพบริสุทธิเทพได้มันมีค่าสงถุกชีวิตเดีนี้ถ้าเราฝึงหัดถ้าไม่ฝึกหัดก็เกิดใจเฉยๆไว้เก็บปอ่ๆเหมือนทอนม้อยทอนพื้นหาประโยชน์ไม่ได้ถ้าฝึกหัดก็ดีนะ เราก็จะได้คุ้มค่าที่เกิดมาตอบบุญคุณคุณค่าน้ำนมพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามายิง่งย่างค่าของเราเขาอยู่ที่นี่อยู่ที่คุณเลิธรรมที่ได้รับความถูกต้องโกดขึ้นกับปากกับจอย ลอยใจก็ไม่ทำํำตัวเองไปทุกข์ไม่ทำมันส่งอื่นคนอื่นไปทุกข์เดือดร้อนทำแตกความดีแล้วลอยใจเขาเราไม่เกิดความดีแล้ว <c oughs> นั่นก็ไปลอยไลอยเลื่อนวัตถุกลายเนบุญบุญกลานความดีควาดี ความช่วไม่ทำความดีทำไปใจไม่ยึดไปยกลช่วไม่ทำดีทำไปใจไม่ยึดไปไกลแลนะ้วผู้ที่สนับงอุนเราก็ไปกลอันยิ่งใหญ่มีผลใหญ่อันยนิ่งใหญ่จากวัตถุธาตที่ชว่านให้เรา อ า, าอาปาหานาสนาที่อยู่อาศัยอยารักษาโลกก็พาไปกายวัตถุเป็นบุญเป็นทานไปก็มีชีวิตทำความดีปล่ยความดีที่จักชีวิตหนึ่งกลายเป็นบุญเป็นมกักเป็นผลปล่อยจงไปใหญ่อันนี้สมใจเรามาปฏิบัติธรรมมักมใช่โจนผู้ลอยไม่เบียดเบียนใคร โอย า, ายยันยยยยยยยยยยยยยยยายยยยยยยยายยายยยยยยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยยยยยกยยยยยวยายยยยยนยยยวิยายยยยยายยยยยยยยยยยุยยยยนยยยยยยยยฉยยยยยยยยยยยยยย นอกจากนั้นก็ได้เก็บตกจากความคิดจากความอะไรต่าง ๆ, ๆทุกๆวินาทีว่าผิดพ้าดเราได้รู้นิ่ง ค, กกคิดมากก็รู้มากคิดมากก็รู้มากหลงมากก็รู้มากสุขทุกข์รู้มากสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้เอาอะไรมาเป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันมีวิชาอย่างนี้มันจะไปรอดไว้พวบคุมิเยองเนี่ย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับรู้ไปในกายมีกายให้รู้กายก็เยอะแยะรู้ฉันเข้าหยุดฉันอกก็รู้ได้คิดตาก็รู้ได้เกิดน้หลายก็รู้ได้นอกจากนั้นก็มีความคิดคิดไปไม่ตั้งใจก็รู้ได้โอ้เยอะแยะเลยไม่จนแน่นอนความรู้ตลอดทางความรู้ตอนเราไม่เฝ้าก็ตลาดทางความหลงเยอะแยะไปเหมือนกัน ไอ้เราเคยหลงเพราะความหลงไปทุกพรความทุกข์เคยกดเาความโกดมันก็เลยบ้ามากกว่าความรู้ฝึกใหม่ๆอาจจะยากทวนกระแสสักหน่อยตั้งจิตใจเคยไหลเคยคิดคเคยเป็นขวันเป็นเนตียวเคยว่าฝันกลางวันว่าคิดมันไหลมันเละงานของเราลนะ ได้ประโยชน์ตรงนี้ล่ะฝึกงานฝึกมา น, อมานสอนมนันมันไปไม่ได้กี่ด้าำเราความผิดไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่จริงความจริงคือความไม่ผิดพลาดคือความเป็นธรรมธรรมย่อมชนะธรรมเสมอโอยอยู่เฉยเงาเฉยเลยกระพวกเราวันยนะ่อหน้ามิด เอาลงสนามกันพวกเราเราเดียวตน้นสอนตนเตือนตนเจกระยตนมีสติจะอยู่เป็นสุขทุกตลอดเวลาสมควรจะเวลาเนะาะกลับปะปั้มกัน